เวลานี้หลวงปู่ก็สร้างพระใหญ่นี่ก็สร้างพระใหญ่ก็เสร็จแล้วมอบเขามอบแล้วทีนี้พระใหญ่นี้ยหลวงปสุ่มเสี่ยงดูว่าเจ้าของเจ้าของเงินนะเจ้ลวงปู่เป็นผู้ น, นํามิเชย น, น ะ, ะเงินเป็นญาติโยมเป็นผู้หามาแล้วก็ถามว่าสวยไหม คนนุ่นก็สวยก็สวยมาทั้งร้อยก็มีแต่สวยแต่งามเงอนเลยแต่ไม่สวยลูกบัวลูกอุไรยนกลับไปหาบริษัทที่เขารับเหมาอ่คุณทรงถ้าคนทรงเป็นเจ้าของพาเนี่รับได้ไหมไม่ได้ครับนั่นแหละแกต้องซ่อมมันผิดตรงไหนมันถูกตรงไหนอแกต้องทำํำเขาเลยไปทำให้ ปรับพื้นมันไม่มันไม่เนียนแต่ว่าสวยก็สวยอยู่แต่มันไม่เนียนนะผิวไม่เนียนก็เลยเขาสร้างเมื่อวานเขาบกมอบแล้วมอบให้เป็นของมอศาสนาแล้วมอบเมื่อวานเนี่ยแล้วหลวงโอจะพาฉ ล, นะลองเนี่ยฉลองเกตเดือนเนาะพระเจ้าสมพระเจ้าท่งฉลองเก้าเดือนนาะ ของเราขอเจ็ดเดือนนิมนต์พระสงฆองค์เจ้ามารับทั้งเจ็ดเดือนเนี่ยแต่ลองโอคงจะไม่ถึงละว ม, ะมื้อคงม่ยูอไม่ถึงแน่เพราะร่างกายมันสุดโสมทุกวันด่วนวันจะไม่สุดไม่มีเลยเหมือนกับตะวันเนียมันคอยคอยลงไปแล้วมันจะไปกลางมันสาก็ไม่รู้มัน แล้วกลวกำหนดว่าจะตายแล้วมีความสุขไหมไม่แผลกนนะมีความสุขกาสุขเลือกสุขไงพอกำลบแต่ความเกิดมีแต่ทุกข์กระทุกเรงเนี่ยพั่งเป็นนี่ยเป็นได้สองวันหนึ่งก็จะเข้าโรงพยาบาล เมไปเช็คลำไส้ยิ่งเช็คก็ยิ่งเจอมนะันนโอ้มีแล้วดีกว่าไปรักษาอยู่ที่วัดดีกว่าก็ขอหมอหมอก็ไม่อยากให้ออกแล้วก็ต้องออกเพราะเราเป็นหมออยู่ ม, มันเจ็บตรงไห น, นปวดตรงไหนเรารู้หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมอเรานี่เป็นหมอเหมนะือนแล้วมาถามน้นถามนี่แล้วมามาถึงก็มาเจาะเลือดโอ้ ลมคา น, นองหัวเจาะแล้วเจาะ อ, อีกอย่างนั้นเส้นเราก็มีแทงเตียดจะได้ทิ้งตั้งสามครั้งเตี่ยกลางกับลมคานเอื่อไหรแล้วแต่มันจะทําถ้าเราดีมาหาเขาทําไมไม่นอนอยู่วัดมาหาเขาก็าต้องวางหมดก็ <c oughs> เลยปล่อยวางหมดเลยเมื่อวานอยวางให้หมดเขาเจาะเลยเขาออกหมอเขาไม่ออกเราออกเราเป็นหมอนี่หว่า เราเก็บตรงไหนปวดตรงไหนเรารู้หมดเรื่องัวมันก็จึงเจอเดี๋ยวก็โลกตับหรอ่ยมันจะไปเลนโลกปอดอีกเงีอเพราะใจมีญิ่มแล้วคนแก่ขนาดนี้มันก็ต้องเป็นมันสัารุชดชดชมมันนล้วแล้วเอาอยาเม็ดน้อยเขาขาวนี่ไปยาดีกว่า ยาตั้งแต่มันเกิดมาเนี่ยเรายาอยู่เน่ะเม็ดน้อยน้อยเข้าเขานี่เป็นยาดีดีกินก็อะไรก็อร่อยเม็ดน้อยน้อยเข้าเขานี่กินก็ตามมําส้มกินก็อะไรได้หมดเลยสู้ยาเม็ดน้น้อยเข้าเขาวัไม่ได้เพราะเวลานี้นนลูกปู่ฉันอาหารอร่อยอยู่แสดงว่ามันจะอยู่ธาตุขันไม่อยู่ได้อยู่ใชนไหมดะนั้นวันนี้ของลูกูนี้เสร็จแล้วนะเรารุกที่เราไปรวมไป ยหลวงปูป่แปลงืองมันเนี่ยเอาใจใส่ไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายนะผู้ชมพานำสร้างอย่างเงี้ยหายากที่สุดนะหามมาได้แล้วก็โอ้ยเอาตายทู้ไปเลยลกปู่หรือสรบออกจากร่างไปแล้วมันยังมาเข้าร่างอีกมันไม่ควรเข้า แต่ ม, มันออกไม่ได้มันออกจากร่างไปอีกร่างหนึ่งทองคำเขานี่มันย้อยมาต่ปูนฟ้าเลอในมนุษย์โรคไม่มีหรอกมาออกลูกก๋วยลูกก๋วยเลยออกไม่ได้เลยใครพูดอะไรรู้หมดเลยทางน้องแสงแบ่งกันแล้วแบ่งสมบัติกันแล้วว่าเอ้าทางวัดเท่าไหร่าทางวัดสามสิบ กรรมาการที่เขาบริหารเจ็ดสิบหมอมันแบ่งกันนะลุกูก็ยืนดูเห็นดูนฟังอนกะัน้องเนี่ยมันจะแบ่งสมบัติกันแล้วเรายังไม่ตายเลยนะแต่ว่าร่างร่างเนี่ยมันก็นอนอยู่นั่นแนะ่ะแต่ร่างไอ้ทริปเนี่ยมันมันไปอยู่กับหมอแล้วหมอเิญนธ์เขาโทรมาจากเตยริงทันนะ้องขอให้หมอเอาลุกงโกกลับคืนได้ได้ ด้วยวิธีไหนก็ช่างหมอรับประกันว่าหมอไปเจ้าของคนไข้แค่นี้ลูกหัวก็เข้าร่างเลยพราะเข้าร่างลโอ้โหมันมันมัดหมดแล้วมัดแขนมัดขามัดรัดหมดแล้วก็ตึงมาในปากมันก็รู้โ่อะไรยัดในทุงหูว่าัยัดหมด้าอัเมื่อไรมันจะมาถอดได้ เมอพอดีหมอที่รักษาเราลูกคนอย่งลุงปู่ไม่ควรไปมัดแข่งมัดขาเหมือนให้ถอดได้นี่เหมือนเขาว่าถอดรออไปตัวนี้จำไหมนะไอ้อจามเนี่ยเพนมันขันเลยพราลงุงปู่จามป้อเนง่ยบางว่าปรากฏว่นเราใครให้เก็บมันหายไปเลยชดเชื่อ้นหมายจามเนี่ยก็เลยไปอ่านกประวัติลุงปู่เขา แล้วลูกหมูขาวช้างมันมาเด้งช้างมันว่ากินอะไรของของท่านนะท่านก็ขันจมูกเด้งท่านกจะอดไว้ก็ไปฟังท่านก็จามปิ้วช้างนี้หมดเลยช้างกินข้าวป่าราบเลยล้วก็นึกถึงตรงนั้นออที่ น, นี้จามมีมีกำลังที่สุดเลยทีนี้ตื่นท้ามาเอาอาหารมามาจากพระราชาวังกุ้ง พ้าวอร่อ ย, ออยอใครก็อยากจะเป็นเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์เพราะอาหารอร่อยเนี่ยลูกชันหมดเลือดไว้สองไวสามตัวให้พระอาเ น, นกินว่าอาหารพระราชวังมันทํำไ้อร่อยเนี่ยนั่นลูกชันอาหารพระราชวางังสามวันขอออกเลยพอออกไปมาถึงบ้านภัยอนะํบปางปุณณ์ เสีงดังขึ้นกันมาถวายหลวกปู่สามสิบล้านเงิโอ้ยเราได้ออกซิเจนดีแล้วถอดเลยนี่เอาตรงนี้เอเอาสามสิบล้านไปก่อนเ้ินนั่นล่ะหลวงปูก็ฟื้นเลยแล้วก็ค่อยดูเอ๊ะนี่มันมันหายเ น, นี่ยพราะโรคได้หายแล้วแบบมันก็หายไปเลยมันไม่ฟื้นกลับขึ้นมานี่แสดงว่าเรานี่ฟื้นแล้วเวินนันละ พระองค์นึกหลวงปู่อธิษฐานไว้คนพระเนี่ยอย่ามายุง่งญาติญโยงอย่ามายุง่งเพราะมันอาธถันมาแรงเป็นก็ขอให้หลวงปู่เป็นคนเดียวตายก็ขอให้หลวงปู่ตายคนเดียวอย่าให้ลูกหลานมาตายด้วยเมื่อเจ็บเป็นเดนี่ว ก็เลยไม่มีใครถ่ายเลยผ้าเพราะผ้ามันจะมายุ่งกับลูกปูลุกปูรับเป็นถ้าเก็บไข้ได้ป่วย้ะก็คือให้ลูกปูเป็นคนเดียวลูกหลานทุกคนอย่าเป็นแค่เลยเป็นแต่กองลูกปูคนเดียวเวลานี้พ้าใหญ่นี้เสร็จแล้วจะฉลองแล้วที่เดียวฉลองทุกเดือนทุกเดือนอั้งพระเจ้าอโสดึงสาม่าสองเก้าเดือนเนาะ ของเราเราแค่เจ็ดเดือนําของพ่อของเราจะทำเขาลุงปู่เสร็จแล้วที่ไปช่วยลุงปู่แปลงเราออืได้คนละเล็กคนะน้อยไม่ต้องมากหรอกเอาคนละสิบบาทยี่สิบบาทเนี่ยโอ้ยพอแล้วคนทั้งเจ็ดสิบล้านคนรูที่คนละสิบสิบบาทเท่าไหร่เราก็เจ็ดสิบล้านเนี่ยเห็นไหม คนละร้อยบาทอย่เงี้ยก็เท่าไหรลองก็เจ็ดสิบล้านไม่ห า, านเลยทมันก็เทวีขึ้นอย่างเงี้ไม่ต้องออมมากหรอกคนละเล็กก็น้อยอย่างเงี้ยแต่ของลููแต่ของลููวะนี่ทั้งหมดเลยมันหมดหกร้อยกว่าล้านเนาะมุนนะมกมเงินแค่สองแสนก็ทํามาก็หมดเนี่ยมันแสดงว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะทีนี้น้องลู่จะทํา ทำธนาค า, ารน้ํากับทําธนาคารน้ําก็ท้องน้ํำม่องส้วมเนีทำห้องไว้สำหรคนแก่อยู่ห้องห้องน้ำเนี่ยจะตกห้องละสามหมื่นสามหมื่นห้าแต่ห้องแถวเนี่ยห้องละสองแสนห้าเนี่ยจดเอาชื่อให้หมดใครอยากทำแม่ปู่ย่าตายาย ร, รู้ก็จะจดชื่อมาให้หมด เพราอย่างนี้เราเอาชื่อกัชื่อต่างประเทศเราอยากให้ชื่อต่างประเทศมาทำมาทําห้องน้ําห้องซ่วมห้องอะไรทีนี้คนอยากปวดทุกข์ให้ทําห้องน้ําเนี่ยอันนี้ปวดทุกข์พวกกินยาตายบวกข้อตายอย่างนี้มันถุกให้ทําห้องน้ำเนียได้บุญจริงหมดจริงๆนะพบท่านไว่ได้พบน้อยลงลงมา อทายกวัดเนี่ยมันคนนี้ดีไปผูกก็ตายไดย้ผูกกับลทายเนี่ยกันแดดผ้าม่านเนี่ยพวกนั่งเนี่ยตายเลยจริงผูกเลยเขาเชื่อกนนันเลยผูกนั่งก็เก้าอี้ผูกเขานะตายนั่งนั่งตายเลยวันนี้ ให้จะหมดกรรมหมดเวรให้ผูกเขาตายห้อยตรงเตียงเตีตงเตียเงีอย่างอีกหลายหลายพวกหลายชาติฉะนมาทําห้องน้ําเนี่ยปวดทุกข์ให้เขาคนมันทุกข์ตัวมันจะผูกเขาตายมันทุกข์ตัวมันจะโดดตึกตึกตายเนี่ยมันทุกข์ ต, กข ต, ตรงมันโดดน้ำตายเงี้ยให้พวกนี้ทําห้องน้ําเนี่ยหายเร้วเดี๋วแล้วอันนี้สง ม, มากที่สุดอันนี้สงปว ด, ดทุกข์คน คือห้องน้ำเนี่ยก็ลองดูที่เพราะว่าพัดเจ้าพัดนายได้ฮนะแต่พัดพัดขีอ้อยากวัวดขี้ขาจะเพิ่งไปเลยก็ลองดูที่อย่างแก่ๆอย่างคนแก่อย่างลูกบูงเหมือนก็ควายแก่ขี้ลาดไปเลยพระเนรต้อแกจบต้องอย่างนั้นนะ ทำไมลุปูอยู่ก็ปูกรุงปู่บวกรทันว่าจะตดตอนมันออกทันเล้รถแต่เุากูก็ไม่เคยอะังเกียดอะไรนะ้เอามือเช็ดท่านเอาเอาผ้ามาเช็ด น, นั้นมาเช็ดไม่ไมาทองเลยเพราะเราเกิดมามาเจอพระอรหันต์เขาใช่มละ่ะเรื่องอะไรเราจะให้มันสูญเปล่าเราก็ตัดตัวตาตัดตัวขบุนกสศล ช่วยท่านปวดชีปวดเยอะปวดอะไรอย่างหลับอย่างนอนทุกถิ่นทุกอย่างเราขาดทสาระเอาหมดเลยเพราะมันานานจะมีเกิดทีนึงนะพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าเนี่ยมั้งเชื่อว่าจะเกิดทุ ก, ก, ก, กยุคยุคต่อไปนะพวกเรามีบุญดังมาเจอรูกปูมันมาเจอรูกปูปู่มันลูกปูขาวลูกปูแว้นลูกปูบัวลูกปล า, าหาบัวเนี่ย รูกกูพรมดลงเย็นเนี่ยรูปกูพางเล้วนแต่แต่เพชรน้ำหนึ่งดงนั้นเลยเรามากาบพ า, า, านุบุนกุศลมากที่สุดเมื่อเสียชากเกิดเรามาเจอพระย า, าเจ้ามาเจอพระพระ พ, ระพุจ้บัรดีบัดเจ้บัตรช่องเราก็ต้องมาดูด้วยเวลาพระที่ปัดดแบัดดีเนี่ยโอ้อยรู้สึกเอาใจใส่เฮ้ยอย่าไปเอาใจใส่ กรรมเวนกระตอคนต่างคนต่างมีกรรมกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นทำอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทอันที่มันชัดเจนแต่ว่ากรรมมันกรรมดีกรรมชั่วถ้ากรรมดีเข้ามากราเร้อถ้ากรรมชั่วก็ร้องไห้ไป กรรมตามทันกรรมตามไม่ม่นทันเหมือนหมาไล่เนื้อเลย่ะถ้ามันตามทันเมื่อไหร่โอ้มันสัดเลย <g Rough> กรรมอะไรเนาะเป็นอะไรนาะฉะนั้นเราพาทํากรรมดีเขห้อง ก, กูก็เสร็จแล้วก็เหล้วแต่จะห้องน้าห้องซ่วงเข้ า, ขาไปไอ้นี่ยธนาคาร น, นามเนีเมืองนอกเขาทําเมืองไทยเราไม่ทํารู้ว่าเได้ทําขึ้นมา มาแต่ตรงนี้ทุกขเจาะลงไปก้าวบ่อเดิมใี่ฝ น, น, นตกลงมามันก็ซึมไปเดียวแต่ยะมันมันซึมไปเข้าบนเนะี่ยพอเราพวกเราได้ทำได้ทำนาแต่เราจะเจาะลงไปให้ลึกกว่านนะั้นเรียกว่าธนาคารน้ำเนี่เจาะให้ได้ผล อ๋อได้ผลดีทุกห่วฝนตกมาไม่ไมหลไปที่ไหลไหลลงนั้นเลยก็ข้างล่างก็เป็นธนาคารน้ําไปเลยท่านนี้มันควรทำด้วยข้าเจาะเราธรรมดาเนี่นะแต่เราต้องผ่าผ่าทอตเอ็กซเรย์เจาะรูให้มันไหลให้มันไหลออกทุกกูทําเอ้ยมันมันได้ผลเขาเรียกว่าธนาคารน้าเหมือนกันนะทำเมือนนั้มีวัดมีวายตงไหนพากันทํา ทำทางการน้ำเนี่ยนะแต่ถ้าทำอะไรไม่อดน้ำหรอกถ้าพูดอย่างเหมือนกับเราขุดสระเนี่ยนขะุดสระมันยังไม่มีตาน้ําก็ ม, ม, ม, กก ม, ออกมีมันก็ไปถึงตาน้ําก็มีน้ําออกมามันก็ทั่วถึงวัดน้องแสงนี่ไม่อดน้นะําลยแต่แต่ก่อนเนี่ยน้ําอาบน้ําก็สามวันได้อาบ แต่แบบอยู่ใหม่เถอตอนนูนลูกปูไปเรียนพศก้าวามอะไรน้ำเนี่ยคุณเอาจุ่มเอาผ้าจุม่มนะถูๆ ถ, ถ, ถ, ถู อ, อกก่บนพอลุกปู่บวเนเนี่ยลูกูน้ํานี่ยมันไหลออกมันไหลจากปูเขาเขาเมื่อเมืสามวันก็หกหมดเลยเราไม่ทําเข้าไว้พอลุกปูทําเข้าไว้เนี่ย สมกับรูปขอท่านว่าทำํำตาไว้สองตาผู้คนแถวนี้จะอาศัยมันท่านว่าที่แถวนี้ที่ดินแถวนี้รักษาไว้มันจะเป็นบ้านผู้เมืองคนนะท่านว่าต่อไปนี้วัดป่าจะกลายเป็นวัดบ้านวัดบ้านจะกลายเป็นคนได้คนได้กลายเป็นผีบ้าขันท้าทุกหเมืองนอ่าเมีย ก็นั่งทั้งขมขมหน้าเมียก็นั่งบุมนึงหัวก็นั่งบุมนึงท่านพูดอย่างนี้เลยท่านพูดเสรองส 7, นะิบเจ็ดเมียก็ว่าคิดอยากร้องไห้ก็ร้องไห้คิดอยากหัวเราะก็หัวเราะท่านพูดอย่างนี้จริงเลยท่านว่างถุงหูมาพี่นางเขามารักษานี่แปลว่าเงินมันต้องเป็นของวัด จะไปรักษาของชาวบ้านได้ไงอทีนี้เราท่า น, นพูดประสอ น, นที่เจ็ดสี่ที่เจ็ดรู้หมดเลยอ๋อพระเดียเจ้าพูดจริงเนี่ยน่ะฉะนั้นรู้วงปู่จึงทำทำพระใหญ่นี้ก็ท่านสั่งให้ทํานะไม่ใช่หลวงนะู่ทานะทํำถนนทางที่นี้ไม่มีแต่หลวงปู่ท่านสั่งไว้เลยท่านสั่งให้ทํา ถ้าทำตัดทางก็ตัดมีคนคนชื่อบุญคนชื่อบุญนี่ไม่ถูกกันหลวกูเนาะไปอยู่ไหนก็ไม่ถูกกันไว้หลวเป็นยงไงคนแต่คนชื่อบุญนะแต่ชื่อนี่เป็นไรแต่เชื่อบุญนี่เอาเลยไปอยู่ก็เป็นคู่ศัตรูกันเลยเชื่อบุญ่ะ แกบอกว่าพระองค์อื่นมาอยู่ไม่เห็นเป็นอย่างี้พระองค์นี้มันเป็นยังไงท่านก็ทดลงไปไปกร่จายทางออกตอนเช้าตอนเยน็นไปกระจับเข้า อ, อ, กอีกท่านพูดอย่างนี้เลยต้องว่าทำตามนะไม่สจของหนาจ้าขอมันก็โมโหด้อืม ตอนเช้าขยายออกตอนเย็นขยับเข้าผ้าอางุ่นเดี๋ยวจะยิงปากคนเะมันถามม า, าปูเสียนเอาไหมเอี่ยมซุกปุนเราเอามาจิ้มน้ำพริกเลยอลุงกูก็เก่งเหมือนกันนะเอาปืนมันจิ้มน้าพริกอ่ะมันก็ไปแต่พอมันสาวยิงลุงกู่เขาก็ขึงมันตาเตะปากลุงกูเขาก็เตะปากคน มันก็จะ ย, ยอมแพ้ยอมแพ้ ล, ลูกปูเอาตีลกูกปูไปเหยียบหัวอตัวเอ้ลูกยอมแพ้เลยเอาแล้วอ่าตาทีนี้จะเสงให้เป็นเศรษฐีนะอมันก็เป็นเศรษฐีเท่าทุกวันเนี่ยลูกเราเป็นเมืันเวลามากรรมเวียนพระเจ้าเราทำอะไม่ใช่ให้ไปคารวะลกูกปู เพราะไม่ใช่ควงคิดของลูกปู่เป็นควงคิดลูงปู่บัวถ้าด่าลูกปู่เท่าก็ด่าลกปู่บัวจายยิงลูกปู่เท้ายิงลูกปู่บัวถ้านลูกปู่เป็นพระอาหานเราเขาเคเลยไปคารวะในนี้กก็เป็เป น, นาาเศรษฐีเล ย, ละละ น, เยเ น, นะลูกปู่พาไปอยู่ในไปอยู่โซวิสัยหน่อยายที่รายละห้าสิบาทก็เทอ่อหมด ไล่ละห้าสิบบาทมันชื่อประวัติของพระใหญ่มันก็เป็นมาอย่างนี้นะวันนี้ทอดประปะาลุงปู่จะไปทำเขาเรียกการหลักการลักน้ำเป็นอีกอย่างอนึางนะอันนี้ของลุงปู่เป็นธนาคารน้ำมันมีแต่ทนทั้งยุโรปเขาทำบ้านเราไม่ค่อยทำไม่ค่อยไม่รู้จักว่า เดนุ่งปูไปเรียนมาจากไปรักเอาของเขามาขเขาทําไงเราเราไปรักเอาวิชาเขามาก็ <c oughs> ได้มามาทํานี่ได้ผลนะเรียกว่าถ้าเรียกว่าธนาคารนา้รําเนี่ยเจาะลงไปเอาเครื่งองเจาะเราธรรมดานี้เจาะลงไปแต่ให้ผ่า อ, อีกที่อะไรต่อยลอจนะหกนิ้วก็ได้สี่นิ้วก็ได้ห้านิ้วได้ จะพาให้น้ํามันซึมซึมก็ไปให้มันอิ่มน้ําเนี่ยข้างล่างพอหอิ่มน้ําำก็มันเป็นธ ร, ราฐานน้ำแต่จริงลองทําดูพวกเราอย่าให้มันไหลทิ้งต้องเก็บไว้ให้เป็นตราฐานนะแต่จะท้าถาวายลูกปู่แล้วก็ถาวายลูกปู่แฝงแล้วก็ไปช่วยท่านมัง่งท่านทำก็ดีหาคนที่พาเป็นผู้ผู้นำเนี่ยหายากนะอย่างลูกปู่ท่านทํา เจดีย์ทำ เ, เจดีไว้แบบท่านก็เป็นคู่นําที่หรอกคุณจะทำคือญาติโยมจะให้ท่านจีบาทจีตะัางให้ไม่ต้องให้มากหรอกเช่าใส่บัญชีท่านเลยใี่ที่ห้าที่ก็สั่งให้ทำทุกวันทุกวันให้คนหมอหนึ่งม่ยังไม่ไมรู้ไม่รู้ชื่อหรอกให้หลวงู่วันละบาทตั้งแต่สร้างมาเนี่ย ก็รู้ทุนเจ็ดปีเราเราคูณเงินบาทหนึ่งกลายเป็นเงินแสนขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเขาน้อยขนาดนี้เราช่วยหลวงปู่แปลงไปส่งมาเปิดบัญชีท่านเขาก็มาตื่นเช้ามาเราทําบุญแล้วเอาพาถสุวรีไปไว้ตรงนั้นหรือเอารูปลวงปู่แปลงไปตั้งไว้กันเนี่ยก่อนเราจะใส่บาทเราก็ใส่ลึกถึงท่านอธิษฐานให้ถึงท่านให้กริ ท, รท่านสำเร็จ เรื่องเงินร้อยบาทของข่าวพระเจ้าเนี่หลเนี่ยที่นี่เราอยากได้แหละถ้าอยากได้เงินก็เอาเงินไปต่อเงินเนาะอยากได้ช้างเอาช้างต่อช้างอยากได้ไก่เอาไก่ต่อไก่อยากได้นกเอานกต่อเนะนกลองเอาหมาไปต่อกระเสือรูป้ปี่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ ไ, ง ไ, งไม่ได้ขาดทุนต้องเอาเงินต่อเงินเพื่อช่วยท่านคนละบาทคนละร้ยบาทตัวหนึ่ง วันหนึ่งตื่นขึ้นมาเราได้กับใส่บาทนะอใส่บาทนุกูแงกงใส่ไปเลยอ๋ออมันคนเราหน่อยนี่โอ้โหไม่ใช่หน้อยเนะมหาศาลเลยในเงินเสรของท่านต้องเสร็จแล้วเสร็จในชีวิตของท่านนะเมื่เสร็จก็ถ้าพวกเราสามัคคีกันความสามัคคีนี้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยโอ้มันสุกแล้วแล้วอีกสินห้าเดือนะ ถ้าศีลห้าพังผมมาพังกันหมดแล้วพวกเราไม่มีศีลห้าอยู่เวลาเนี้ยมันโูกมันจะไม่พังพออพร้อมเอ่ะจะทำไงทำต่อนนะขอถวายเท <c oughs> ียนพันชารวมทั้งเป็นประทีบ เป็นพุทธบูชาก่อนนะครับช่วงข้าวปั้ษาแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวคย่อยถวายพระป่าองค์หลวงปู่เซนอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนเที่ยงเขาจะถวายพระป่าหลวงปู่คำแปลงนะครับขอให้ท่านได้การนมัสามจบนะครับ <S 2> <S 2> <S นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะตากาวะโตอาราตสัมมาสัมพุทธะอิมังพันเตพุทธะปูชายยะวัสสะตัง ปัทถีปังสังคัสสะโอโนโชยามะสาธุนโนพันเตสังคโคอิมังวัชคะตังปัทถีปังปฏิคันหาตุปัมหากันจะมาตาปิตุ อาทินัจจะเตตานังสัพพวัจจะอัมหากันจจะเทวตานังทีครัตตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อนถวายเทียนประจำพรรษา พร้อมกับของบริว า, วารเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาแด <rec. S 1> พ่แดพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่งเทียนประจำพรรษาและเพื่อเกิดประโยชน์ความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ปียชนทั้งหลายอันมีบิดามารดาครูประชาอาจารย์เทพเทวาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดการละนานเธอเดี๋ยวขอให้ถายเทียนปัญญา เสี่ยงข้ามไหคะไม่ค่ิ เลยต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเหมือนชื่อถือที่ขึ้นไปถึงพระนิพพานเรืบอยอยับเรื่อยกับล้วในวันศุกร์ที่สี่กรกฎาคมก็จะเป็นงานบุญใหญ่เข้าพรรษาของชุมลมพุทธนะครับวันศุกร์ที่สี่ก็ประมาณหกถึงเจ็ดวัดนะครับที่อาราธนาสมุนท่านมานะครับ ตอนนี้กำลังรบรวมติดต่อกันอยู่นะครับเดียวจะไปพอท่านถอยแล้วได้ถอยกลับมานะครับจะได้ถอยหลวงปู่เสนต่อนะครับ เพืท่านท่านสะดวกในวันนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปอันนี้ไว้ได้นะครับอย่างที่หลวงปู่เซนท่านกล่าวไว้นะครับจะทําเจดีจะทําธนาคารน้ําจะสร้างห้องน้ํากับหลวงปู่ก็สามารถที่จะร่มบุญกันภายหลังได้นะครับแล้วก็วันนี้หลวงปู่ท่านก็ยังไปพำนักอยู่ที่บ้านวิภาวดีนะครับ ที่ตรงน้น่ที่บานี่ส่กุ้หมที่ิยานี่ถวายหลวงู่งเศรษฐนออโอเค จะ่ป็ระาให้ครับครับก็กออนุโมทรากับพี่ปียานะครับอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินนะครับของบริษัท t ยวที่านคนช่างเงามอีกหนึ่งหมือนบาทนะครับถอยลงโปษเสนครับเรามาริ่มกันครับุณาธิ้นะอันนี้เดี๋ยวผมใส่งให้เลยค่ะคุณสาธตขอวท่านค่ะแล้วถังี้้ว มีนบามีของางโอเคอั้การควาลอาจารย์้อานออกนนี้สวยหลวงปูนะคะใ้วปูสุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้ยาหอมอันนี้ีคยาอมยาหอม ขึ้เมือนตับบัวปลาจีนปลุงไรงนไปเหมือนับรู้เลยปา วางตรงพระป่าเลยครับเดี๋ยว พระไตรมาเป็นพระป่าถวายด้วยนะครับในนามของชมรมและก็ญาติธรรมก็ทุก ท, าท่านจะได้ร่วมทำบุนกันมาไม่ว่าจะเป็นมาทาบุนหน้า ง, งานหรือว่าผ่านบัญชีชมรมพุทธนะครับเดี๋ยวมารวมรวมมันไว้นะครับเดือนถวายพ้าป่าครั้งเดียวครับไปตอนเที่ยงก็จะถอายหลงปู่คำแปลงในส่วนของการสร้างเจดีย์นะครับ ตอนเช้าก็ได้ฟังพัฒนาเทศนาของหลวงปู่คำแปลเวลาเที่ยงตรงนะครับ Yes, <laughs> และเก่าาถวัยพระปานะครับที่ได้แจ้งไว้เมื่อเช้าก็คือที่หลวงปู่ได้กล่าวด้วยเมื่อกี้ว่าทำเจาะเป็นทำธนาคารน้ำหรือ ว, ว่าร่วงสร้างห้องน้ำนะครับทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาครับ <S <S นะโมตัสสะภะคะวะโตอระรา ยังพันเตยังสุ สก a ลจีวรานิชาปาริวารานิิกุสังคะสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิฝังสกุลจีวรานิชาปาริวารานิปฏิคันหาตุ อัมหากังทีขรารัตังทิตายะสุขายะถ้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญพระพเจ้าชา่างหลาย น้อมถวายข้าบังสุกุลจีวอนขับทั้ง wipes. ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุทโธงขอพระพิสุทโธงโปรดรับข้าบังสุกุลจีวอนขับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่า okay. นี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อยเป็นประโยชน์ ได้ความสุกความเจริญ wow แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในขอแผ่ส mm. ่วนบุญส่วนกุศลแต่ปียชนญาติทั้งหลายอันมีบิดามารดาถูกปชาอาจารย์พั้อทั้งเทพยาดาเจ้าทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรสัพพสัตทั้งหลาย และโดยผลบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แจ้งทึงมรรคผลนิพพานด้วยเถิดขอพะผู้มีตังหง้อ เพื่นกับผมขอโอกาสรับรับอร น, นะใจรับพร อ, อุที่บุญกุศลไปให้ผู้มีพวกคกลุ่กับพวกเราเราทำมาทุกูก็จะได้เป็นท่าผลประโยชน์ช้างช้างสองตัวที่เข้าหันหน้าเข้าวัดถือดอกบัว นี่ช้างกำลังทาอยู่เป็นเป็นช้างเหรอทำไมทาช้างเพราะหลวงปู่บัวาท่านเป็นเกิดเป็นช้างอยู่นั่นสองสองชาติสองสองของเขท่านเกิดเป็นควายควายนี่ท่านก็ไม่เล่าฟังแต่ว่าที่เกิดเป็นหมูนี่ท่านเล่าให้ฟังอยู่เป็นหมูป่าเป็นช้างเนี่ยเดียเล่าให้หลวงปู่ฟังแต่ว่าไอ้สน ไอ้ควายนี่ท่านไม่เคยเลาแต่ท่านจะไปเล่าถูกลูกลูกชายแั้ท้องลูกปู่เพงแล้วปูกเพงว่ามาเป็นควายถูกในพานมันจิงแต่ก่อนน้องแซงเป็นโปง่งเรียกว่าผีโป่งองนันมาสร้างวัดใหม่ๆนี่โอ uh, ้หเสียงพูดกันพุมพาแต่ไม่มีตัวแต่ยินแต่เสียง อ, อยู่นั่นต่านลูกู่บัวท่านว่า นี่เป็นชาติที่ห้าแล้วชาติตุดท้ายแล้วท่านท่านว่าท่ามาตายอยู่ที่เนี่ใกล้ที่วัดป่านองแสงอ่ะอืหลวงปู่ก็เลยท่านทำไว้เจ้าเจ้คุณทำมาดีเจดีย์ทำมาสามร้อยไล่แต่หรวกปู่มาทํานี่พันสี่ร้อยไล่ขยา้ออกมอกเลยแต่ก่อนมันก็ไม่แพงไล้ละสองพันนี่นะก่อน หาคนซื้อยากเลหาคนซื้อยากแล้วมันไ ม, ม่มีคนมาตั้งวัดนี้ใหม่ๆมีบ้านสามหลังคาเรือนเดยนี้เท่าไหร่พันกว่าหลังคาเรือนแยกเป็นสามสี่หมู่บ้านแนละ้วขนาด น, นั้นแหละมันขยายออกเร็วที่สุดนีคนไหนก็กลัวจะไม่ได้เกิดอยู่เงั้ย น, นะ เกิดมาปรอ่าข้าพเจ้าเกิดมาขอให้เป็นเศรษฐีก็นุ่มผีไปแล้ะไปทางพ้นทุกข์ทำไมไม่ปรานากันแต่ทางพ้นทุกข์นี่มันทํายาก่าเหมือนก็ขึ้นคบขึ้นภูเขาอถ้าทางเป็นรกน่ะเหมือนก็กขึ้ น, น, น, นคบลงจากภูเขาดูที่ ม, มันมันมันข่างกันขนาดไหนเนี่ย ทางจะไปพะนิพ่านเนี่ยเหมือนก็เกื้งคบขึ้นภูเขาเลยแต่ว่าลงในโลกเนี่ยเหมือนก็เกื้งคบลงลงล ง, ลงเขาเหอนนนขนาดนั้นนะฉะนั้นพระอ น, น์ถามพระพุทธเจ้าว่าผู้จะอยู่ในโลกก็พูดไปพะนิพน์ผ่านจะคนไหนจะไปไงอ น, น์นเนย คนที่จะอยู่ในในโลกเนี้ยเหมือนกับขนโคคนที่จะไปพิภพานเท่ากับเขาโคเลนี่เที่ยมันห่างกันขนาดนั้นน่ะเพฉะนั้นเราเกิดมามาในถ้ำกลางของสารัสหาแล้วมันจะให้เสียชาติเกิดทําไมล่ะทุกข์ก็ขอให้ทุกชาติในชาติเดียวมี่คงรู้อู้เป็นอย่างนั้นไม่ไห่วงความอยากความกินโหความดับความนอนไม่มีเลย ไม่ขอให้พ้นทุกชาตินี้หมดไม่ต้องจะชาติหน้าเลยฉะนั้นทําวงเพียรนี่ โ, โหสนุกเมื่ถึงเกิดที่ที่เราทาวงเพียรมาแต่อยู่ก็ลงบูเบัวไม่ได้น ะ, ะเผอสติท่านเา้ยไม่มีสตินะทำอะไรก็ไม่มีสติแค่ไปล้างมาตรนี่เสียงพูดกันไม่ได้นะอยู่กับท่านพูดกันเหมือนกับนกเหมือนเหมือนกับเป็ดตัวงพูดพูดกันนะ ดังว่มีที่านพูดสองดังแต่ลุกลงุงปูชิ้นทองที่ตกคขบินน่นะนะโอ่งนั้นไม่ฟังเสียงใครสวดปฏิโมกต์ด้วยกันไม่ถูกท่านก็สวดของท่านอยู่กันนะที่ร้เรียนหลุงตาบวัวได้มีลุงปู่ชิ้นทองดัะที่จะมาหนานั่นท่านหนึ่งอีกท่านกับไพ่ของท่านก็ลุงปู่แสงเนี่ย ท่านท่านตีนะท่านเตะเลยเตะหลวงปู่แสงท่านวันหนึ่งท่านไปแต่ก่อนห้องน้ําไม่มีนเดียห้องน้ามีสามม่องเลาตั้เข้าเทเลจันแสงเข้าก่อนท่านจันที่ทว่าผมบวชก่อนท่า น, น่ะออกมาได้นี้ลวงปู่แสงก็ต้องออกมา ไม่ออกมาท่านตบบ้องหูจริงอยู่ดันทิ้งทองเนี่ยตีก็แค่กันแสงเลยไม่รู้กันอะไรเลยเจอกันไม่ได้เลยไปก็ใส่กันเลยก็ลูกูแต่ว่าท่านหยอกหยอกก็หยอกแรงอะไรอย่าฝ่ามือใส่บ้องหูเลยเตะกันนี่แหละลุกปูรีทำผ้าแดงอย่าไปส่งเสริมอย่าไปส่งเสริมคนส่งเสิมตรงกูสิ้งทองอะะ ลมีแต่ลูกปู่ชึงทองที่ล้อเลียนท่านได้นอกนั้นไม่มีทางเะยนสะ่างคนต่างปัวอยู่เงี้นนะเขารบท่านว่าไม่ให้นอนก็ไม่ต้องนอนเลยดนะฉะนั้นวันนี้องคุณให้พอนะให้ลูกปู่ท่านอยู่พวกเรเราต้องช่วยท่านเพราะท่านเป็นผู้นำ ท, ท่านคีดดีนี่โอ้โหไม่ใช่ว่าจะสรางง่ายๆนะดีกวาดีเอาชวิตเข้าแรกบางองค์ก็ยังนอนในโรงแก้วอยู่ยังมีนะข้าวของ ใ, ใหญ่ๆมันมันไม่รู้มันมันเป็นทุกองค์นนะ่ะแต่จะเป็นน้อยหรือเป็นมากเอท่านมีบารมีมากท่านก็ไปตายอย่างเนี้ถึงนั้นญะาติโยมก็รับผ่อนนะเดี๋ยวโองปนระนักกว่านั้นนะ ยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสห卡ลังเอวเมวิโตดินังเมตานังอุกับาติปิตังปิตังโทหังจิปะเมวัตมิตตุสเพพุเรนตุสังคบาจันทูปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพิติโยเววชันตุตปโรโควินัสตุมาเตภวัตมันรายโยสุ ผีทีฆาญูโกบวาอภิวาธนาสีริธนิจังอุทามาจายิโนจะตารโรธรรมาวัตันทีอายุวนโนสุขังภาลังอะดาติเมอะกาสิเมยญาติเมตตาดคาจะเมตตานางนาคินังนาจระภูเขกะตามนุษย์ธรรังนาหิรุนาวาโซโกวายาวัญญาปฏิเทวนาณาตังเปตานมัตยา ในวังที่ท่านดิญาตโยอัญจโคนาคินาดินาทั้งกรมโสติติตาทิคารตังิตายสาทานาโซอุปกปติโสญาติธัมโมจะอยงนิริโตเบตานามุจาจักตาอุราระบารัญชาภิกุนางมนุาลินังตุเบหปัญญวสุทังอนปกันติภาวะตุสัพมังขะลังละขัน สัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพตัมมานุภาเวนะสัพพะทั้งคานุภาเวนะตันทาโสทีปะวันตุเตสุตุ